ยาซีเร Get ียตเรื่องบ่อน้ำกรดวันหนึ่งท่านอาจารย์ตาบอดของท่านตะกแตนน้อย หาลูกศิษย์คนนี้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ท้ายวัดซึ่งปกติจะปิดล็อกไว้ภายในห้องมีบ่อน้ำกว้างประมาณ6เมตรมีแผ่นกระดานพาดเป็นสะพานทอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์เตือนให้ท่านตั ก, กแต่นน้อยอยู่ห่างๆขอบบ่อเพราะของเหลวในบ่อไม่ใช่น้ำแต่เป็นน้ำกรดที่แรงมาก ท่านอาจารย์บอกตักกแตนน้อยว่าภายในเจ็ดวันเธอจะถูกทดสอบเธอต้องเดินข้าบ่อน้ำกรดโดยจะต้องทรงตัวให้ดีบนแผ่นไม้นั้นแต่จงระมัดระวังให้มากนะเธอเห็นกระดูกเกลื่อนกลาดที่ก้นบ่อน้ำกรดนั่นไหมท่านตั ก, กแตนน้อยชะโงกดูในบ่อยอย่างระมัดระวังและท่านก็เห็นกระดูกเต็มไปหมด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 พาตั ก, กแตนน้อยเข้าไปในห้องบ่อน้ำกรดกระดูกของบรรดาเนนน้อยที่เคยตกลงไปราวกับส่งประกายขึ้นมาจากก้นบ่อท่านตั ก, กแตนน้อยขึ้นไปยืนบนปลายข้างหนึ่งของไม้กระดานและหันมามองอาจารย์ท่านสั่งว่าเดินแผ่นกระดานที่อยู่เหนือน้ำกรดช่างดูแคบกว่าแผ่นกระดานที่ลานวัดมาก ทั้งๆที่มันมีขนาดเดียวกันเป๊ะท่านตักกระแต่น้อยเริ่มเดินแต่ด้วยย่างก้าวที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยท่านเริ่มจะเสียการทรงตัวท่านยังข้ามไม่ถึงครึ่งทางเสียด้วยซ้ำท่านก็โงนเงินมากขึ้นมากขึ้นดูท่าว่าท่านกำลังจะตกลงไปในน้ำกรดท่านตักกระแต่น้อย ผู้กำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็โยกหน้าโยกหลังแล้วพลัดตกตูมลงไปเลยท่านอาจารย์ชาราตาบอดหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงตูมนั้นมันไม่ใช่น้ำกรดหรอกมันก็แค่น้ำธรรมดากระดูกเก่าเกาเหล่านั้นถูกโยนลงไปเพื่อสร้างความกลัว